สวัสดีครับนักศึกษาที่รักผมสวัส์ทงชัยขออนุญาตท่องกัจจายนสูตรเพื่อเป็นตัวยอย่างแก่นักศึกษาผู้สนใจใกล้ศึกษาภาษาบาลีทุกท่านเริ่มจากกัจจายนะกันที่หนึ่งสนที่กันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัจจายนสูตระ สันธิกะปะอัฏฐะอัครสัญญาโตอัครปาตโยเอกจตาริสังตัดโททันตาสระอัตตาระหุมัตตาตโยรัสซาอัญเยติกาเสสะพยัญชนะว่าคาปัญจะปัญจโสมนตาอางอิตินิคัยตังปัสสะมัญญาปโยเคภูพมโตติตตะมัสรางสเรนะวิโยชเย นาเยปังยุตเตอิติสันธิกาเปปัตโมกันโดสราเสรโลปังวะปโรอสโรปาขวจาสวนางนุตเตทิคังปุปโฌะยะเมทันทัสสติโสวโมทุทันตานังสัพโฌจังติโททัสจัจิวันโนยังนวาเอวัติสระริปุปโจะรัสโซ อิติสันธิกาเปตุติโยกันโดสระปกติพยัญชนะสเรกวจิีที่ขังรัสังโรปัญจตัตรากโรภระทเวภาวุธานิวเคโคสะโคสานังตติยปัตมาอิติสันธิกาเปตติโยกันโดอังพยัญชนะนิคหิตังวักขันตังวาวะเค เอเฮยังเสยจมทาสเรยวมธาเยวมัทนาตระราชมากวจิโอพยัญชนะนิกายีตัญจากวจิโรปังพยัญชนะจาโรวาสโรพยัญชนะจาวิสัญโยโคลิติสันธิกเปจจุโตกันโดโคเสเรพุทธสาขโมกวจิ ปัสจันโตระโสอภะอภิอจโชอธิเตนะวะอิวันเนอติสะจันตสะกวจิปฏิปติสะปุทถสุ ป, ส ป, ป, สปยัญชนีโออาวะสะอนุปติท่านังุัฏโยกตโตอิติสันธิกะเปปัญจโมกันโดสันธิสุตตังนิติตังขอให้นัสทบทวนแล้วก็ ขอให้เจริญในการศึกษาโดยทั่วกันนะครับสวัสดีครับ